วันนี้ก็สวด็จมนสนุกดีเนาะมีมีพรดังเลยมีพรดังสสด็จแบบ น, นี้ท่านข้องก็นําสวดดีนะคุมจังหวะดีเสด็จแยกโยงก็เสริมพรดังในการเสดจดี เกิดแบบนี้แล้วมันตื้เขินนะตื้เขินถ้าเป็นกองทัพก็แบบสู้กับกิเลสเนะี่ยไม่กลัวออืใช่ไหมเหมือนถ้าเราเป็นกองทัพกันนะห้าสิบคนเนะี่ยไปเจอกิเลสนะ่ยก็เหมือนเราหมู่มากเนาะหมู่มากกิเลสมาเราก็ไม่กลัวนะกลัวไหมความม่วงออื ความลังเลรงสัต่างๆนะความปุ้งร้านนะความโกรธนะความเกลียดต่างๆนะกลัวไหมถ้ามั้ถ้ามีเพื่อนไปด้วยไม่ต้องกลัวนะนะถือว่าเรามีเพื่อนนะมีเพื่อนปฏิบัติธรรมด้วยกันเนะี่ยถือว่าสู้ได้กันนะม่วงนะ่ะ ก็มีเพื่อนง่วงเป็นเพื่อนอยู่นะเหนื่อยก็มีคนที่เหนื่อยเหมือนเหมือนเราอยู่นะอปวดเมื่อยนะก็มีคนที่ปวดเมื่อยเหมือนเราแล้วว่าเราแก่ก็มีคนที่แก่คล้ายๆเราอยู่นะพอมีเพื่อนแล้วมันก็อุ่นใจนะอุ่นใจสู้นะสู้ได้ทุกทีนะอันนี้แหละความหมายของ การในยนมิตรนะการในยนมิตเนี่ยอย่างอาตมาต้องมีเพื่อนพิสุนะพิะพิสุนีนะคนทั้งโยมเองก็เป็นอุบาสกอุบาสิกานะถือว่าเป็นเป็นเพื่อนจะทำมิตกันเป็นสงนะคำว่าสงบางทีเราจะเข้าใจคำว่าสงคือความหมายแปลว่าที่แคบแคบว่าพาักสงนะแต่สงจริงๆแปลว่าสังฆะแปลว่าชุมชน นะแปลว่ากลุ่มนั่นี้จริงเน่ะพิสุพิษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยถือว่าเป็นหมู่สงนะหมู่สงสาวกของพระผู้ีพระพาทเจ้าแต่ถ้าเราไปตีความสงคือต้องออกบวชต้องโกนหัวต้องคืนศีลต่อมรายี่สิบเจ็ดหรือสา1อสิบเอ็ดอันนั้นเรียกว่าสงอันนั้นสงแบบสมมุตินยแต่สงจริงๆคือเนี่ยแหละ สาวกของพระผู้มีพระพาทเจ้าน่ะสาวกของพระผู้มีพระพาทเจ้าก็คือเนี่ยผู้ที่ประพฤติตามคําสอนพระพุทธเจ้านะเออไม่ใช่ว่าคนไทยเก้าสิบปร์เซ็คือสาวกพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะที่จริงสาวกพระพุทธเจ้า จ, จริงมีน้อยเนะี่ยเมืองไทยบอกนับถือพุทธเนี่ยเยอะแต่นั้นนับถือแต่ทะเวีนบ้านนะแต่ที่ประพฤติปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆน้อยมากนะพวกเราเนี่ยนะคือคนที่ประพิปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะถือว่าเป็นหมู่สงนะเป็นหมู่คณะนะที่ได้มาร่วมกันทำความเพียนนั่นนะมีความอุ่นใจนะมีมีพลังนะี่นี่ยเราก็เลยเต็มที่นะ คือเต็มที่จนที่เรามาปฏิบัติธรรมที่สะสมนิยธรรมอย่างนี้นะเลยทําให้มันเต็มที่นะทําเต็มที่แต่อี่าไปหวังผลว่าจะต้องบรรลุทำอะไรต้องได้อะไรอะไรแบบนี้เนาะพระอาจารย์เปตสารเนี่ยบอกว่าให้ทําเต็มที่แต่ไม่เสีเรื <c ười> ่อยเออ ทำเต็มที่ไม่ใช่ต้องแบบหน้านิ้วคือขโมยนะต้องจริงจังจนทั้งเคร่งเครียดนละยนะท่าอกในหะ้ทำเต็มที่ก็คือว่าทําความเพียรเต็มที่นะตั้งแต่ตื่นจนหลับนะตื่นจนดับนะเราพยายามมีสติอยู่เสมอนะยืนเดินนั่งนอนนะผู้เหยียดเคลื่อนไหวทํากิจวัตต่างๆนะในรูปแบบนอกรูปแบบเนี่ยนะนะอาศัย มีสติและลึกรู้อยู่เสมอนะอันนี้คือทําเต็มที่นะแต่มันจะอแต่มันจะรู้มันจะเห็นมันจะได้เท่าไหร่นะเป็นเรื่องของมันนะอ่เป็นเรื่องของมันอ่แต่เราถ้าเราทําเต็มที่นะเราจะไม่เสียดายเราจะไม่เสียใจนะไม่เสียดายวันเวลาที่มันผ่านไปนะไม่เสียใจที่ที่ เออมีโอกาสแล้วไม่ได้ทำาน้มาได้อ่านลายคนหนึง่งแต่จำรายละเอียดไม่ก็ได้มากนะแต่เขาบอกเป็นเป็นนายทหารท่านหนึ่งที่อาจจะได้อยู่รับใช้พระบาทสมเด็เจพระเจ้าอยู่หัวนะรัชการที่9ก้าเ่รัการอาดีตที่ผ่านมาในหลวงรัชการที่9้าท่านก็ถามว่าประมาณว่า เธอรู้ไหมว่านาทีหนึ่งเนี่ยเธอหายใจกี่ครั้งท mm hmm. หารมันก็ตอบว่าสิบแปดครั้ง mm hmm. แล้วชั่วโมงหนึ่งเมื่อกี้เธอหายใจกี่ครั้งเขาบอกพันแปดสิบครั้งแล้วปีหนึ่งเท่าไหร่มันก็จำไม่ได้แล้ ว, ลวก็คิดเลขไปแลเธอหกสิบปีเนี่ยหายใจกี่ครั้ง่ะ เป็น ล, นล้านครั้งแล้วแล้วเธอรู้จักลมหายใจเธอกี่ครั้งลมหายใจนี้ได้มาฟรีๆหรือเปล่าต้องเสียภาษีหรือเปล่ า, เ, า, เ, ลาเธอใช้มันคุ้มค่าหรือเปล่าอันนี้ออพอเราลองคิดตามที่ในหลวงราชการที่9ใช้่าเนอนะคมมติถ้าคนหนึ่งอยู่มา60ปีก็ หายใจเป็นานาฬครั้งละแต่เราก็หายใจทิ้งขว้างไม่ได้รู้สึกตัวอันนั้นอาจจะ น, น, นั้นในในส่วนอาจจะเน้นที่การฝึกสติแบบอนาปานสตินะก็อาศัยลมหายใจนะนาทีหนึ่งนะสิบแปดครั้งแต่ถ้าเราเึ้นไหแบบลงพัเทียนนะ พอเขาเขียนบอกประมาณวินาทีละครั้งวินาทีละครั้งนะเคล่อนไหววินาทีละครั้งนั้นมากกวลมหายใจนะมากกว่าสามเท่าได้นะนาทีหนึ่งก็หกสิบครั้งเลยนะเนี่ยก็คือถ้าเราอาศัยรูปแบบการเคลื่อนไหวมารู้สึกตัวนะการเคลื่อนไหวของเราก็จะไม่ฟรีฟรีวันวันหนึ่งที่เราใช้การเคลื่อนไหวนะ มันก็จะไม่ฝนะีวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งหกสิบนะปีชาตินึงนะนะเราก็จะไม่เสียดายนะถ้าเราได้ทํามาเต็มที่นะอืนะเราพยายามอาศัยการเคลื่อนไหวทุกขณะนะทุกขณะให้ให้เกิดความรู้สึกตัวนะทุกขณะจิตให้มีความรู้สึกตัวนะรู้ทันการเคลื่อนไหวของกาย รู้ทันความเคลื่อนไหวของใจเนาะอรู้ทันนี่แหละแล้วก็มีสติแล้วถ้าเราทำถึงที่สุดนะมันเหมือนมามัดมีองคศาที่เราสวดเมื่อสักครู่เนี่ยมว่าสรุปจบท้ายเนี่ยดีมากเลยอ่าจะดูทั้งชานนงอุปสตปชาอ่าิหาสติ จำถือกเป๋านะั้นวาลีนะแต่จำภาษาไทยเอานะว่าเออคือไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนะมีแต่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่อันนี้คืออสัมมาส ม, มาธินะก็ยังมีสติแล้วแลอยู่นะไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนะมีแต่สติเป็นธรรมชาติ บริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแลแ้วแสอยู่มาว่าสภาวะเนี่ยแหละที่หลวงพ่อเขียนหรือหลงพ่อเทียนนั้นใช้คําว่ารู้สึกซนะื่อๆนะรู้ซื่อๆคืตรงนี้นะคือมีสตินะซื่อๆนะเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์นะแสอยู่รู้อยู่นั่นแหละนะในสภาวะรู้ซื่อเนะี่ยคือสภาวะเรียว่ามันครบทั้งหมดเลย น, นะที่จริงมั้ เราแยกเป็นแปดประการแต่จริงแต่จริงมันมันเหมือนลูกบอลนะมันเหมือนลูกบอลมันมันไปด้วยกันมันไม่ได้แยกอันไหนอันไหนสูงอันไหนต่ําซ้ายขวาอะไรล่ะเนี่ยมันก็แค่แยก่ะให้เห็นเป็นอาการเิยๆแต่ที่จริงมันมันไปด้วยกันนที่เราเจริญสติที่เราสึกสภาวะ สร้างความรู้สึกตัวต่างๆนี่แหละมันคือมันครบองมรักแล้วมันครบองคมรักเพราะว่าถ้าเราทําถึงที่สุดก็อย่างที่หลวงพ่อนะ่ะท่านบอกว่าเนี่ยเราจะเกิดสภาวะที่รู้ซื่อนะสติมันเป็นธรรมชาตินะเป็นสภาวะที่บริสุทธิ์นะสภาวะที่มันเหนือสุขเหนือทุกข์นะไม่มีสุขไม่มีทุกข์คือ ไม่ได้เป็นผู้สุขไม่ได้เป็นผู้ทุกข์นะมันเหนือนะมันเป็นธรรมชาติเป็นอาการเฉยๆนะมีความรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานี่คือสภาวะที่สตินะถ้ามันฝึกมากๆนะมันก็จะเกิดสภาวะแบบนี้นะะให้พวกเราได้ตั้งใจนะัดนะจะทำอะไรนะเป็นแม่ครัวนะก็มาทำอาหาร ด้ยวยความมีสตินะอนุโมทนานะนะมาทําอาหารให้เรารับประทานนะเป็นแม่บ้านเนะ่ะเตรียมที่พักเตรียมสิ่งต่างๆให้กับพวกเราก็ก็อาศัยว่าจะทําทแต่อาหารนะแต่มีสติในการทําอาหารไปด้วยนะเราปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะหลวงพ่อเขียนก็บอกคือปฏิบัติธรรมการมาเพลินเพียนะ ที่จริงมันเป็นเรื่องบงเพ็ญเพียรทางจิตนะไม่ใช่ไม่ใช่เสร็จต้องมายกมือสิบสี่จังหวะนะัดออย่างเดียวหมายถึงว่าความหมายของท่านคือไม่ให้ไม่ใช่จํากัดการบำเพ็ญเพียรคือเป็นเรื่องแค่การยกมือสร้างจังหวะ <c oughs> ยกมือสร้างจังหวะเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบนะเป็นติดที่มาที่หลังนะเป็นติ่งอุเป็นอุบายอุบายที่มาที่หลัง แต่การบมเินเพียรจริงๆคือการบำเพ็ญเพียรทางจิตนะคือฝึกให้จิตมันมีสตินะฝึกให้จิตมันมีสติในการระลึกรู้กายรู้ใจนะตามความเป็นจริงนะพอจิตมันมีสตินะจิตมันก็จะมีศีลนะจิตเขามีศีล น, นะไม่ใช่เรามีศีลนะจิตใจมีศีลศีลมีศีลนะ ม, มีธรรมนะภาษา ไทเราศีลละธรรมนะอมันเหมือนศีลกับธรรมมันแยกกันยังไงไม่รู้นะหือศีลละธรรมเป็นเรื่องพื้นฐานแต่มีศีลนะมันศีลน่ะคือมันทำให้เรามีธรรมะขึ้นมาศีลมันก็ทําให้เราละอายความชั่วเกรงกลัวต่อบาปนะเวลามันคิดชั่วนะมันก็ละของมันเองนะแต่เห็นจิตมันคิดไม่ดีขึ้นมาติชมันเห็นนะมันก็ละของมันเองนะ ไม่ใช่เราต้องพยายามห้ามใจข่มใจนะถ้าเราต้องห้ามใจข่มใจนี่มันก็ยังเป็นศีลแบบศินแบบสุขัดนะศีลแบบแบบขัดเอาแต่มีสตินะมันมีศีลแบบมันละของมันเองนะเมื่อเกิดความคิดไม่ดีขึ้นมามันก็ละของมันเองเนะมื่อเกิดความามีกรรมฐานนะเป็นที่ตั้งมีั้งมีกรรมฐานเป็น เครื่องอยู่มันจิตนะมันก็มีสมาธินะเรารู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยนะมาทําให้จิตมันตั้งมั่นสติสมาธินะ่ะมันอยู่ได้ตันนะออสมาธิก็ตั้งมั่นมั่นคงขึ้ น, นเรื่อยๆไม่หวั่นไหวคนจะว่าเราคนจะอะไรก็ได้ยินนะศัพท์เลยว่าได้ยินนะดูเรื่องเลยนะแต่เราก็กลับมาดูตัวเองะที่ที่เขาพูด จริงหรือไม่จริงเราควรู้ด้วยตัวเราเองจริงเราก็แก้ไขไม่จริงเราก็ปล่อยไปมันก็จบนะไม่ต้องไปทำไมเขาว่าเราอยู่นั่นอย่างนี้ทำไมเป็นแบบนั้นแบบนี้นะสมาธิมันเกิดขึ้นของมันเองเนะสมาธิไม่หวั่นไหวเนะี่ยจะมีคนว่ามีคนชมก็ไม่หวั่นไหวเนี่ยตื่สมาธิมันตั้งมั่นจะอยู่ไหนมันก็มั่นคงนะไม่หวั่นไหว เราผิดก็ยอมแล้วว่าผิดเนี่ยขอบคุณที่เขาเตือนเราเราไม่ผิดก็ไม่เป็นไรเนี่ยเขาสอนเราให้เขาให้เรากลับมาเห็นตัวเราเองเนี่ยไม่หวั่นไหวนะภาภาวะที่ไม่หวั่นไหวเนะี่ยมันก็มันก็สดตว์แต่่านะจะเห็นอะไรจะรู้อะไรนะ่ะจะได้ยินอะไรจะกินอะไรนะก็ไม่หวั่นไหว <c oughs> ไม่ใช่หวั่นไหวไปกับ ความชอบความไม่ชอบเนี่ยเนี่ยมันมั่นคงนะปัญญามันก็เข้าใจนะรูปนามตามความเป็นจริงนะรูปนามเขาก็มีไตรลักษณ์นี่แหละเป็นความจริงของเขานะรูปนามมันมีสภาวะแม้แต่สภาวะต่างๆมันก็เป็นสภาวะที่มันเกิดมันดับเท่านั้นนะบังคับไม่ได้นะเราก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเราก็เห็นสภาวะเกิดดับของรูปของนามนี่แหละนะ ไม่มีอะไรมากกว่า น, นี้นะหรือเราก็เข้าใจที่จริงอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนะ่ะมันเป็นอาการแต่ถ้าเราไม่เข้าใจไม่มีปัญญาเราก็จะไปยิดว่าอาการนั้นเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนนะเป็นสุขเป็นทุกข์นะแต่จริงมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของจริงนะนะของจริงเนะี่ยมันคือไม่ทุกข์นะ แต่ท่านยังเป็นทุกเป็นทุกข์เป็นนั่นเป็นนี่อยู่เนี่ยมันยังไม่ได้ของจริงนะของจริงจริงมันไม่มันไม่ได้เป็นอะไรนะมันมีแต่สภาวะที่รู้ที่เห็นไม่ได้เป็นนะกับสิ่งต่างๆนี่คือปัญญานะปัญญามันก็ทําให้เกิดอุเบกขานะเป็นปัญญาแบบอุเบกขานะปล่อยวางนะปล่อยวางได้ไม่ใช่อุเบกขาแบบแบบอะไรนะแบบ ไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ใช่แบบนั้นนะรู้นะรู้แล้วก็ไปวางได้นะมันเป็นปัญญาเป็นวิมุตส์นะเป็นหลุนเป็นพลตัเนี้ยนะคือเนี้ยแหละนะมะักมีองแตกก็คือสิ่งที่ที่เราเจริญเนี่ยแหละนะนะสิ่งธมาที่ปัญญาวิมุตสุดท้นเนี่ยมันก็เจริญขึ้นนะผ่านการทําความเพียอรอเองนะตอนอันเนี้ยเรามีเพื่อน ที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันนะแต่มันทำแทนกันไม่ได้มันทั้งนี้นะเดียวกันห้าสิบคนก็ดีหรือแม้แต่เราไปสำนักไหนก็ดีนะเราไปหาพระที่เราเชื่อเราศรัทธาว่าปฏิบัติดีนะไปอยู่ใกล้ท่านท่านก็ช่วยเราไม่ได้หรอกนะถ้ า, ถ, าถ้าเราดยเีนะแม ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะนะไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะทําแทนแล้วแทนนะสาวกได้ไม่ใช่ครูบาอาจารย์จะช่วยเลอกศิษย์ลูกน้านให้ทุกคนนะเพราะการกระทนะํานั้นเป็นเรื่องของเราเองนะแต่เราก็อาศัยคําสอนครูบาอาจารย์มากระทํามาประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็อาศัยกําลังใจจากกนิมิตรนะ เวลาเราท้อก็ไปดูคนข้างๆที่เขาขยันนะเราก็ได้มีกาลังใจเนาะเวลาไหนเราขี้เกียจอะไรนะเราก็ดูเพื่อนนะเราไปได้ขยันตามเพื่อนนะอันนี้คือกาลังใจที่เราจะได้จากกันและกันนินะแต่สติปัญญามันเป็นเรื่องที่เราต้องทำเองนะเดี๋ยวพึ่งคนอื่นให้มาช่วยเรา เพรตัวเราเองอนะต้องช่วยตัวเราเองนะเวลาเวลามันทุกข์นะแต่ให้ใครมาช่วยเราเวลาทุกข์นะเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายนะเนี่ยต้องมาช้วยตัวเราเองนะแต่ถ้าเรามีมีสติปัญญาเป็นทิศขึ้นในใจของเราละครั้งนี้แม้ไม่มีใครนะเราก็พึ่งตัวเราได้นะีวันหนึ่งสุดท้ายเราก็ อาจจะต้องนอนบนเตียงคนเดียวนะสุดท้ายก็ตายคนเดียวนะแม้จะมีคนอยู่รอบเตียงเราเขาก็ไม่ได้ตายกับเรานะเราก็ต้องไปของเราเองอันนะี้มีแต่นี่แหละมีแต่สิ่งที่เราได้ฝึกหัดนี่แหละมันจะเป็นที่พึ่งของเราจริงๆนะก็อัดก็พูดแค่นี้ฝากไว้